ปัจจุนจะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวตัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นคือมุ่งที่จะให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจบางครั้งก็เรียกว่าจเจริญสมาธิหรือประมสมาธิหรือบำเพ็ญสมาธิ จึงแสดงว่าตัวสุตัวสมาธิระดับที่เราต้องการจริงๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นที่จะต้องบบรมกระทําให้ เ, เกิดขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสมาธิคือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้จิตใจเรามีความสงบนั้นต้กเรียกว่านิบวน ก็ได้เกิดความรู้สึกไปตามกระแสะความโลภความโกรธความหลกแต่ว่ า, าการที่ปรากฏนั้นไม่แรงจนถึงกับไปทมทุจริตทางกายกับทางวิ จ, จาเพียงแต่สร้างปัญหาในด้านจิตใจคือบงับบงคับบังคับจิตให้สายไปหมกมุน่นวุน่นวายรับร้อนดูกับอาการของกิเลสนั้นๆั้นนิวรน์นนทั้ง5ประการจะกลายเป็นอุปสรรคที่มีความสาคัญ สับใดที่ใจยังมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ปณิวนิวรณแต่ละข้อจะเป็นอุปสรรคของความสงบคนนีเป็นสังเกตว่าเช่นเราต้องการความสงบโดยการนั่งสมาธิแต่ในขณะเดียวกันก็มีความไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่งอยู่แในความคิดนั้นก็จะเกิดขึ้นภายในใจ แม้จะเพียรพยายามเจริญสมาธิยังไรก็ตามแต่ความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจใครคนใดคนหนึ่งนั้นก็จะแว บ, บข้าวแวบบออกภายในใจตราบใดที่ความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้ยังมีอยู่คือต่อสู้ก็อยู่ภายในจิตสมาธิเองก็จะเกิดขึ้นอยู่ได้นานไม่ได้ แต่ตัวความคิดในลักษณะนั้นเองก็อยู่นานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีพลังสมาธิอยู่ระดับหนึ่งที่พยายามขัดวางไม่ให้ความคิดในแนวนั้นเป็นคั้นสุดต่อจิตแต่ถ้าต้องการจะให้สลายจริงๆพลังสมาธิจะต้องมีความเข้มข้นสูงขึ้นมีกําลังมากขึ้นก็จะทําห้สลายความรู้สึกไม่พอใจความอาฆาตเปยาบาทรได้เบาบางลงไปจากจิต อาการเหล่านี้เป็นสังเกตว่าเป็นอาการแบบธรรมชาติที่พระพุทมีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรู้สมมองเห็นสภาวะาธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันจะมีการแก้กันอยู่ตลอดเจนมีร้อนปรากฏก็จะมีเย็นแก้มีมืดปรากฏก็จะมีสว่างแก้มีทุกข์ก็จะมีสุขแก้มีกลางคืนก็จะมีกลางวันแก้ แต่ในต้อนองตรงกันข้ามในขณะที่เป็นสุขอยู่นั่นเองถ้าทุกข์มันมากความสุขก็ลดลงไปในขณะที่เย็นอยู่นั่นเองถ้าหากว่าร้อนเพิ่มขึ้นความเย็นก็จะลดลงไปในขณะที่สว่างอยู่นั่นเองเมื่อความมืดคื่นคลานเข้ามาความสว่างก็จะลดน้อยลงไปนั่นก็คือการต่อสู้กันโดยสภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่ลักษณะาภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลก็จะเป็นเช่นเดียวกัน บางทีท่านพูดถึงดามกับข่าวบางทีท่านพูดถึงบืดกับสว่างบางทีท่านพูดถึงความสุขความทุกข์ซึ่งก็เป็นอาการต่อเนื่องของกิดเดสซึ่งวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าอาการเหล่านี้จะไม่ปรากฏร่วมกันในขณะเดียวกันเช่นอาการของความสุขปรากฏขึ้น แสดงว่าความทุกข์ก็จะลดลงในขณะนั้นอาการของธรรมะปรากฏขึ้นอาการของกิเลสก็จะลดลงเช่นในเช่นในบุคคลคนหนึ่งเราเกิดรู้สึกเมตตาสงสารเขาในจุดนั้นความไม่พอใจความรําคาญความหงุดหงิดเป็นต้นก็จะลดลงไปสําหรับคนนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็มีการต่อสู้กันอยู่ภายในใจ แนวคาสอนในทางพระพุทธศาสนาจะออกมาในรูปของการละชั่วจึงหมายความว่ามุ่งไปในจุดของการแก้จัดพวกกลุ่มกิเลสทั้งหลายจะมีชื่ออย่างไรก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็จะพูดในแนวของการทำความดีซึ่งบางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงการละความชั่วแต่เพราะเป็นสภาวะตามธรรมชาติเมื่อปริมาณความดีก็เพิ่มขึ้น ความดีนั้นนอกจากจะแสดงอาการตัวเองให้ปรากฏขึ้นมาแล้วจะทําหน้าที่กระจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตอนออกไปด้วยคล้ายๆกระแสงสว่างที่เกิดขึ้นนอกจากจะให้แสงสว่างโดยตัวเองแล้วยังทําหน้าที่กระจัดความมืดให้ด้วยแนวที่กําลังกล่าวถึงยุดนี้เป็นแนวในการละความชัว่ว ซึ่งหมายความว่าเมื่อความชั่วเจือจางลงไปภายในจิตใจใคล้ายๆกับความร้อนลดลงไปเนี่ยความเย็นก็เพิ่มขึ้นเองมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติของมันพูดในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้จะมะีผลจะออกมาในแนวเดียวกันหรือพูดถึงทําความดีก็ได้พูดถึงละความชั่วก็ได้หมายความเมื่อความชั่วลดลงความดีก็ต้องเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันพูดถึงการทำความดีเมื่อความดีเพิ่มขึ้นแสดงความชั่วลดลงคล้ายๆกับความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ลดลงหรือความเย็นเพิ่มขึ้นความร้อนก็ลดลงดังกล่าวนั่นเองเราได้พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ทั้งหาประการมาโดยลำดับแต่เพิ่งเข้าใจว่า น, นิวรณ์ก็คือสิ่งที่กั้นจิตคนเอาไว้ทําให้จิตสูญเสียสมรรถภาพเสียคุณภาพไปในขณะนั้นๆ จะในขณะทํางานฟังธทำแต่ตลอดตังอ่านหนังสือหรือแม่จะสนทนากันถ้าจิตในขณะนั้นถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งกลุ้มรุมอยู่หรือครอบงําจู๋คือสรุปว่าจิตไปคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่กําลังทําอยู่ในขณะนั้นการรับรู้ของเราในขณะนั้นก็ไม่มีความต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจวิ่งไปรับอารมณ์เราต แสดงว่านิวร์ได้กัน้นแม้ความดีเข้าไปสู่จิตอย่างเต็มที่ยิ่งในการจเจริญกรรมาฐานด้วยแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในขณะที่จริงจักรุปศาสตร์คือประสาตตาเราเราก็หลับหลับตาไว้ป ร, ประสาตหูคงได้ยินเสียงแต่ว่าเมื่อทุกคนช่วยกันส ง, งบมันก็ไม่มีเสียง ประสาทจมูกก็ไม่มีกลิ่นอะไรที่แรงประสาทลิ้นก็เป็นได้รับประสาทอะไรประสาทกายก็เจอแต่ความเย็นหรือความอบอุ่นหรือความร้อนก็คือก็เจอลักษณะของอากาศไม่ ว, ว่าพื้นที่แข็งหรือพื้นที่อ่อนที่เรานั่งอยู่เท่านั้นเองเพราะปะัญหาที่จะต้องแก้ในขณะนั้นก็คือจิตจิตอาจจะวิ่งไปสายไปรับอารมณ์ข้างนอก ถ้าเป็นฉะนั้นความสงบก็เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้าวิธีที่ท่านต้องการจะแก้ก็คือว่าแ ก, ก้ความรู้สึกที่จะดึงจิตออกไปจากงานซึ่งเราต้องทําอยู่ในขณะนั้นอีธานสรุปรวมเรียกว่าเป็นนิวรณ์เพราะอะไรเพราะความรู้สึกเหล่านี้จะกั้นแม้แต่การทําความดีของเราไว้จ้าเราต้องการจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งวันนั้นสำนวนพูดปัจจุบันที่เราใชา้คำว่าไม่มีอารมณ์ ม, มีอารมณ์จะอ่านจะฟังจะพูดจะแสดงจะตอบจะเขียนจะเขียนอะไรประสิทธิภาพในการงานเหล่านั้นจะอ่อนลงจนบางเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เรื่องไปไหนแสดงเห็นตังพลังจิตถูกแบ่งแยกถูกนิวรณ์ครอบงําเอาไว้ก็ดูแล้วทํานองลคล้ายๆกับเราเดินแล้วก็มีคนคอยปัดแข้งปัดขาเราคอยกระตุกขาเรามันก็เดินไม่สะดวกคือสะดุดนั่นสะดุดนี่สะดุดนี้สะดุดน้นไปเรื่อย ตลงวนนีวอนหมกันกั้นสมรรถภาพของเราเอาไว้ไม่แสดงออกได้อย่างเต็มที่ระจิตในขณะนั้นถูกแบ่งแยกตัวนิวรก็ได้คอนหนึง่งในขณะเดียวกันก็กั้นเอาไว้ไม่ให้รับความดีเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่เราต้องการเพราะอะไรพรรับแล้วบางครั้งก็ฟุง้งบางครั้งก็ ค, ครบแกร่งสงสยัย บางครั้งก็ไปประทะกับความรักความชังบางครั้งก็จิตไม่พร้อมอยู่ในการมือยลอยซึ่งซึม ง, ง้อยเ ง, งาปวดถูเป็นต้นเพราะนิวรณจึงกลายเป็นพวก โ, กโรคกวดตรงแต่เป็นอาการทางจิตดางกาวแล้วเพราะความโลคความโกรธ ถ, ถ้าเขาแรงเนี่ยจะออกไปประทุษร้ายคนอื่นอาจจะพู ด, ด้วยปากหรืออาจจะกระทำโดยกายหรืออาจจะทั้งพูดั้งทำ ในตอนสังเกตว่าบางครั้งถ้าความโกรธเขาแรงเนี่ยเช่นคนทะเลาะการในปากกระดาบไปมือก็ทุบตีไปหรือว่าเท้าก็เตะชกต่อยไปเรื่อยๆอุตลุดไปหมดเลยนั่นแสดงเห็นว่าความโกรธเขาแรงแต่ถ้าดูว่าถ้าความโกรธลดลงเนี่ยมันอาจจะพูดด้วยปากเฉยๆแต่ไม่ถึงกับลงมือลงไม้ก็เรอย่าถึงกับลงมือลงไม้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าความโกรธลดลงไปกว่านั้นแม้พูดด้วยปากก็ไม่หยาบแรงเกินไปซึ่งอาการของจิตที่ถูกปรุงด้วยความโกรธในระดับที่แตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็แสดงอาการออกมาแตกต่างกันอย่างนี้ทุกคนเคยประสบด้วยชีวิตตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบว่าอาการเหล่านี้มันออกมาได้อย่างไงบางครั้งแรงเหลือเกินบางครั้งก็ไม่แรงเท่าไหร่ บางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยตอนแต้มมองให้ซึ้งก็จะพบว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของปริมาณความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นๆความโกรธน้อยความผิดปกติก็จะน้อยลงความโกรธระดับกลางความผิดปกติก็จะออกมาในระดับกลางแต่ถ้าความโกรธรนุนแรงอาการทั้งหมดมันจะวิปริษไปหมด กายจะวิบริตวาจา ก, ก็จะวิบริตเพราะใจมันเริ่มวิบริตตำนองใกล้ๆกล้กับคลื่นที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรหรือพายุที่ก่อตัวขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยิงตัวพายุก็เป็นล ม, มนะแต่พอแกพัดผันไปมันกระเทือนน้ำดินน้ําลงไฟอากาศสปปรรพสิ่งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตจริงๆมันเริ่มต้นด้วยลมในนั้นเอง มันธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของอะไรก็ตามจะมีลักษณะจากานันคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วต่อจากนั้นจะขยายผลออกไปทั้งรุนแรงและสร้างสรรค์ในแน่ของการสร้างสรรค์มีนสังเกตว่าตนพรธเจ้าตรัสรู้ก็มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองแต่เพราะมีงานในลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาบุคคล การพิกรารขยายตัวความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาก็ขยายไปเรื่อ ย, อยจากจุดเล็กๆแถวเมืองพาราณสีสมัยที่พระเจ้าสัตรุ้ใหม่ๆก็ขยายออกไปจนทั่วโลกในปัจจุบันนั้นแสดงในการขยายตัวของสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วก็มีแนวอย่างนั้นจะสงครามโลกนี้จงเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก่อน แล้วมันกับการขยายตัวความรุนแรงคือเพิ่มความโลภความโกรธขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ขยายไปเรื่อยๆแต่คนก็โกรธตามปฏิบัติตามไปในสุดก็กลายเป็นสงครามลกเรื่อการปฏิบัติเหล่านี้จะเป็นลดละหรือจะเป็นเพิ่มพูนก็ตามก็มีจุดเริ่มต้นถึงเล็กๆน้อยๆปันหาสําคัญว่า ก่อนที่จะเข้าถึงสมาธินั้นบุคคลจะต้องสามารถโอยชนะกิเลสประเภทที่รุนแรงจนถึงกระเพาศีลได้เพื่อเกิดการสะดวกท่านจึงมีการสมาทานศีลไปก่อนซึ่งการสมาทานศีลที่จริงก็เป็นเพียงรูปแบบไม่ใช่เป็นแกนหลักจริงๆว่าจิตใจของบุคคลจะต้องสงบแต่อย่างน้อยที่สุดสักคนอย่าลึกถึงศีลอยู่เนี่ยแม้จะเกิดความโลภความโกรธ ก็จะคุบคุมไม่ได้คือไม่แรงเกินไปใจก็พร้อมที่จะน้มน้อมเข้าหาความสงบในพอระดับของสมาธิเราไม่ได้พูดถึงกิเลสแรงขนาดนั้นแต่พูดถึงกิเลสที่เกิดขึ้นคุ้มครวมใจอันนี้ยิงกามาฉันคือความกำหนัดรักใคร่พอใจคือใจมันเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนกำหนัดรักใคร่พอใจ ถ้าถามทำไมตืบเลือกในแนวนั้นเพราะใจเราไปกำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดสวยงามขึ้นเราก็กำหนดในแนวนั้นเพราะในแง่ของความเป็นจริงดแท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายที่เรากำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนด้าจาับต้อง น, นั้นที่จริงแล้วรูปสวยก็ไม่มีเสียงไพเราะ ก, ก็ไม่มีกลิ่นหอมก็ไม่มีรสอร่อยก็ไม่มี ในสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งในแง่ของที่เป็นสากลคือหมายความทุกคนสัมผัสแล้วรู้สึกควาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไม่มีเพราะอะเราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากปรุงคิดคิดปรุงของคนขึ้นเงื่อนไขที่บุคคลนั้นได้กาหนดขึ้นมันผิดกับสภาวะธรรมชาติเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยพวนี้เวลาใครสัมผัสข้ามันก็ร้อนเป็นสากลหรือเย็นเป็นสากลหรือเย็นเป็นสากล แต่ความสวยความงามนั้นเป็นเทีมมายาแต่แล้วไม่ใจไปกําหนดด้วยความรักใคร่พอใจกามฉันก็เกิดขึ้นใจก็เหนียวนึกถึงเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏแต่บางทีในจุดนั้นเองมีคนคนหนึ่งหรือหลายๆคนกําหนดด้วยความไม่พอใจก็ขอให้เกิดความโกรธความมาฆ่าพยาบาทในชั้นนี้ท่านมองในแง่ของความพยาบาทซึ่งท่นานชาวชนได้โปรดสังเกตลักษณะของกิเลสที่พระเจ้าทรงเรียกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหน เช่สมมติว่าสงฆ์ใชกําลังโทสะแปลว่าประทุษร้ายเรานื้ดูการประทุษร้ายเราทํำยังไงบ้างทําทางกายก็ได้มีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยกายอีกต่อหนึง่งก็ได้และเครื่องทุ่นแรงนั้นอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินอาจจะเป็นอาวุธสัตวอาวุธทั้งหๆอาจจะเป็นปืนอาจจะเป็นลูกระเบิดแล้วก็เครื่องทุ่นแรงในการประทุษร้ายแต่แสดงว่าไอ้ความรุนแรงของอาวุธที่เราใช้ ม, มนันสะท้อนทั้งความรุนแรงในเรื่จิตใจของคน เพราะตาจิตใจเราไม่แรงเนี่ยเราจะใช้อาวุธที่แรงไม่ได้แต่ัราจะพบว่าบางครั้งเราเกิดค้อมโกรธอะไรใครขึ้นมาอาจจะพูดคาหยาบได้ปากไปแล้วอาจจะเงื้อมือหรือว่าออถือท่อนไม้อะไรไปจะทุบจีเขามีส่วนน้อยแต่ตนเองที่ตีได้ส่วนใหญ่ก็จะตีไม่ได้ทําไมตีไม่ได้เพราะว่ากิเลสไม่แรงพอที่จะถึงกับตีได้ เมื่อกิเลสไม่แรงพรอมันก็ตีไม่ได้สแสดงว่าอะไรในขณะนั้นสแสดงว่าพลังของธรรมานั้นมีกํำลังมากมันหยุดยัง้งมันให้สติสัมปชัญญะหรือโอตรปะปาหรือคันติสรจะขึ้นไปในใจเราเพราะกิเลสประเภทนี้จึงเกิด ข, ขึ้นจากการกําหนดทังสองอย่างกําหนดยังไงก็ได้ถ้ากําหนดด้วยความรักใคร่พอใจกิเลสสายโลภมันก็เกิดกําหนดด้วยความไม่รักใคร่พอใจกิเลสสายโกรธมันก็เกิด ก, ก็ตกลงว่าเป็นกิเลสอยูนั้นเอง ทีนี้บางทีเนี่ยเป็นอาการทางกายทางจิตบางทีน้ำมิทะง่วงเงาห้านอนซึ่งซึมไหวเหงาหดหูหเครือบเครมจิตชื่อชจเย็นเสิงหมดอะไรแต่ อ, อยากในชีวิตจะบางทีข่าตัวตายเน่ยมันก็เกิดมาจากสภาพที่เก็บกดอยู่ภายในใจนี่ลักษณะหมักหมมสะสมอะไรต่างๆไว้วุ่นวายไปหมดภายในใจจนกลายเป็นความขับค้องใจหรืออาจใจ เพรลักษณะเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาที่จะทําความดีหรือที่จะรับรู้ความดีเพราะจริงๆแล้วจิตมันไม่พร้อมอยานเนอรคือลักษณะฟุ้งสัน้นหรือเป็นอาการขโมขาดจิตใจที่ฟุ้งสั้นนั้นเพื่อสังเกตว่าเราไม่รู้เช่นสมมติว่าเราได้กลิ่นมาอจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเรากำหนดไปได้ว่ากลิ่นอะไรเนี่ยเราจะหน้าตาเราจะสายไปพิสูจน์กลิ่นอยู่เรื่อย ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังก็สายไปเรื่อยๆหรือดูรูปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะมองไปในจุดที่เราเห็นเท่านั้นเพราะลักษณะทั้งสองอาการนั้นจะเห็นว่าต่างกันลักษณะ ส, า, สายหมายถึงการไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนแต่ลักษณะที่มุ่งไปนั้นก็จะเกิดความรู้จักหรือความรักหรือความชังก็จะมองไปในแนวเดียว นี่ก็เป็นอาการที่เราสัมผัสอยู่ในชีวิตของเราหมายความมันยังไงหมายความว่าความฟุ้งซ่านนั้นก็มีอยู่ภายในใจเราอยู่สม่ำเสมออาการหลุกหลิดอาการไม่อยู่กับที่อาการไม่นิ่งที่จริงมันเป็นภาพสะท้อนจากจิตว่าจิตมันไม่สงบจิตไม่สงบก็คือจิตมันฟุ้งฟุ้งไม่จะฟุ้งเฉยเฉยก็ทําให้กายมันฟุ้งทําให้วาจามันฟุ้งเกิดอาการหลุกหลิดอย่างน้อยที่สุดไม่ได้พูดแต่อาการมันจะหลุกลิด นี่จึงเป็นเรื่องขโมหะเรามาพูดถึงวิจิกิจฉาคือความเครือบแคงสงสัยทำไมจึงเน้นในจุดนี้มากทั้งนี้เพื่อเข้าใจว่าอุปสรรคสําคัญในการศึกษาธรรมะนั้นก็คืออยู่ที่เราไม่แน่ใจไม่แน่ใจในความดีงามของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงค์เราใจสกขาเมื่อเกิดไม่แน่ใจไม่ต้องกราบอะไรหรอกแม้แต่อาหารเราไม่แน่ใจกินได้หรือกินไม่ได้ก็ไม่ได้กินหรอ ยาเราไม่แน่ใจว่าเป็นยาจริงหรือยาปลอมคนที่ให้ยานั้นเป็นหมอหรือไม่ใช่หมอเป็นพยาบาลหรือไม่ใช่พทย์บาลยานี้มีคุณภาพจริงหรือไม่ซึ่งก็หมายความว่าเราอาจจะสงสัยทั้งตัวผู้ให้ยาและต้งสัยทั้งตัวยาสงสัยทั้งคนสั่งยาและสงสัยถึงคุณภาพของยาแต่แม้แต่ความสงสัยมีอยู่ในจุดเดียวแต่นั้นเด็คือการรับประทานยาก็เกิดไม่ได้ สมมตเราสงสัยในตัวยาไม่สงสัยในคนให้ยาเราไม่สงสัยในคนสัญญาแต่เราสงสัยในคนที่ให้ยาสงสัยในตัวยาว่ามันจะแก้โรคได้หรือไม่ชันอาจจะเห็นคนหนึ่งเขาหายจากโรคเพราะรับประทานยาขนาดนั้นเราอา จ, จะคิดเอามันลา่เนื้อชอบหลังยาคนนั้นหายเราอาจจะไม่หายหรืออาจจะเป็นอันตรายก็ได้เกิดไม่แน่ใจในสุดการรับประทานยานก็เกิดขึ้ไม่ได้ ผลจุดนี้จึงกลายเป็นโมหะเป็นทางสองแพร่งที่มีอันตรายราอคอยอยู่ข้างหน้าเป็นทางธุรกันดารที่มีลุงบอกควาดหนามมากเหลือเกินเป็นลนักษณะเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนตมุมซึ่งยากต่อการเดียผ่านไปได้ภริกิเธิ์ประเภทโมหะตัวนี้จึงต้องมีการแก้ไขต้องมีการลด ความรุนแรงกับความเครือข่งสงสัยอย่างน้อยที่สุดก็กำหนดทิศทางเอาไว้เนื่องจากประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นไม่มีใครจะเรียนรู้ได้หมดบ า, บางครั้งเราก็หลอกตัวเองไปงั้นเองแต่จริงๆเราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้กล้ใกลก็เหตุการณ์ที่คนอยู่กันมากๆเนี่ยและแม้เราอยู่ตรงนั้นเราอ้างว่าเราอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนเราจะเห็นได้ในในแต่ละด้านนั้นก็ไม่กี่ว่าหรอกแต่ถ้าตัวเราเตี้ยยิ่งเราไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่การเห็นนั้นก็ไม่ได้เห็นได้รอบศีรษะเรามองไปด้านใดมันก็เห็นได้ขนาดนั้นอย่างน้อยก็ร้อยเกบองศาขนาดร90ยองศาก็พอเห็นได้แต่เราไม่ได้เห็นรอบทิศทางนี่แสดงให้เห็นว่าบางเรื่องเราก็ไม่รู้จริง เพราะอะเพราะเราไม่ได้เห็นจริงเนื่องจากประสิทธิภาพในการรับรู้ของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดไม่มีใครรู้อะไรไปทุกแง่ทุกมุมในจุดที่แม่เราอยู่สัมผัสด้วยกันนั่นเองไม่ต้องเอาอะไรหรอกเรารับประทานอาหารอยู่ในโต๊ะเดียวกันอาหารบางอย่างเราไม่รู้รสชาติเป็นยังไงที่ไปเพราะเราไม่ได้รับประทานทานตอางวัข้างหน้าัน้นลักษณะ ข, ของ การดํารงชีวิตที่ถูกต้องดับแนวศาสนาส่วนหนึ่งท่านจึงต้องใช้ศรัทธาคือเชื่ออย่างมีกฎมีเกณฑ์มีหลักการต่างๆรา้วความเชื่อจะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้เจนว่าเกิดสงสัยในยาอย่างที่บอกแล้วว่ามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าพอดีเราเชื่อในหมอที่ให้ยา แล้วก็พร้อมที่จะรับรานเพราะตัวพลังความเชื่อมันก็ต้องเชื่ออยู่หลายจุดในความเชื่อแต่ละแนวนั้นก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติความดีอย่างที่เราพูดกนันในหมู่พุทธศาสนิกชนระดับชิ้นธรรมจันญานั้นท่านจะพูดแค่สี่เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าสามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราจะดีหรือไม่ดีจะ ถ, ถูกหรือผิดจะอำนวยผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเราต้องรับผิดชอบตั ว, ตวเองแต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานความคิดของคนเนี่ยต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์นั้นอยู่ที่การกระทาของคนคนนี้ถ้าเราลองสังเกตแต่ความคิดความอ่านของบุคคลภาในสังคมก็จะพบว่าแม้มีขนอะไรมาทำนายแต่ ท, ทักกันมากมายกกองแต่ปรากฏว่า จริงๆแล้วมันอยู่ที่คนกระทำต่างหากพระเจ้าทรงแสดงว่าประโยชน์นั้นจะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องดียามดีขณะดีครูด่ดีเวลาดีนั้นอยู่ที่การกระทำดีทำดีตอนเชา้าตอนเช้าก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ดีทำดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดีแม้จะเรื่องดีพิเศษยังไงก็ตามถ้าคนทำชั่วมันก็ชั่วเรื่องมันไม่สามารถช่วยอะไรได้ ยังแสดงว่าประโยชน์นั่นจะเป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวมันอยู่ในท้องฟ้ามันจะทําอะไรใครได้แน่นอนอิทธิพลในความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศนั้นก็มีได้แต่ว่าจะเป็นดนบรรดานในขวดนั้นขวดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมเป็นไปไม่ได้ดาวไม่มีชีวิตอะไรที่จะรู้จักคิดจะต้องพิจารณาโทษความถูกความผิดของคนได้ในจุดเนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อ เราก็จะตัดแต่ความเครือบแคลงสงสัยที่รุงรังต่างๆออกไปได้มากเช่ น, น่าเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการที่สัตว์หลางๆมีกรรมเกมิดของของตนบางเรื่องแม้แต่เรื่องของกรรมเองมันก็มีปัญหาในการศึกษาหาความเข้าใจแต่เราก็เชื่อว่าตอ น, นี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็ใช่ตถาคตโพธิสัตว์คือเชื่อการศัสรู ข, ของพระพุทธเจา้า เพราะคนที่ศัสรูนั้นมีปัญญาสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์มีความในความกรุณาสมบูรณ์คนที่เป็นเช่นนี้เขาไม่โกหกหรอกเพราะคนที่ใจบริสุทธิ์คนใจไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองที่โกหกคนใจบริสุทธิ์ก็จะไม่โกหกเราดูตัวเราได้ว่าวตอนใดที่คนใดที่เราหวังดีกับเขาเรามีความเคารพเราถือศรัทธาเขามีความเมตตาต่อเขาเราจะไม่โกหกเขาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจเราบริสุทธิ์สมบัติคนนี้และสมบับกรณีนี้ แต่ว่ามาคนใดก็ตามทีใ่ใจเรายังไม่ชอบหรือไม่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเขาก็เริ่มโกหกมาตั้งแต่ต้นงานเมื่อในจุดนี้เองก็ทำให้เราเกาะที่การเชื่อแต่ที่นี้บางทีเนี่ยเราสามารถใช้ปัญญาได้เราก็ใช้แนวที่เราเรียกว่าโยนิโสมานสิการคือการคิดอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิด แต่การคิดนั้นจะต้องมองเห็นเป็นกระบวนการคือไม่ใช่มองเห็นอยู่ได้จุดหนึ่งแล้วก็คิดเอาเฉพาะจุดนั้นแล้วก็ลงสันนิษฐานเอาเฉพาะจุดนั้นเพราะอะไรพระตะคิดอย่างนั้นมันก็มีผิดได้ง่ายเป็นการมองจากมุมเดียวแต่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่มุมเดียวมันจะปรากฏทุกแง่ทุกมุมทุกมิติ ยังใ ก, ก้ใกทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาต่างๆที่จริงในพุทธศาสนาก็แสดงไว้เมื่อเป็นเรื่องของหมาพรมที่ท่านหลงกลัวท่านเองแต่เรีนว่าอายุยืนแล้วก็เข้าใจว่าตัวท่านเทียงแล้เมื่อเมื่อเข้าใจว่าท่านเที่ยงก็คิดว่าคนอื่นก็เทียงด้วยในสุดก็บัญญัติว่าโลกมันเทียงใครมารู้จักเกี่ยวข้องกับท่านท่านก็บอกว่าท่านเป็นที่มาของสิ่งน่าหลายท่านเป็นผู้สร้างคนเรานั้นเกิดมา คนเหล่านั้นก็ถูกครอบโดยความคิดก็นําเหล่านี้ไปขยายผลต่อก็อืนก็ยอมรับเงื่องใคเหล่านั้นในสุดท่านก็กลายเป็นผู้สร้างทังทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นพรมตนหนึ่งแต่นั่นเองนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการมองมุมเดียวจริงแต่อายุพรมมันยืนคล้ายๆกับเรามองภูเขายืนหยัดอยู่ถามคุณปู่คุณทวดบอกภูเขานี่อยู่นานแล้วยังปู่บอกว่าอยู่นานแล้วตั้งแต่ปู่เป็นเด็กก็เห็นมันอยู่อย่างงี้แหละ เราเข้าใจภูเข น, นเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันซึ่งความเข้าใจอย่างนั้นที่จริงก็ผิดกฎซึ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลวนแต่พอดีภูเขามันใหญ่ไดเกินเราก็มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปศึกษาใกล้เคียงมีการบันทึกไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไปตรวจสอบดูก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเพราะโยนโสมนัติกานแม้เราจะมีใช้เนี่ย ใ้อย่างเกาะอิงอยู่กับศรัทธาคือใ้ลอยตัวขึ้นไปแล้วก็วินิจฉัยด้วยตัวเองไปได้ทุกเรื่องก็ยากแต่ถ้าบางเรื่องก็พอทำได้แต่นั้นการแก้ขัดวิจิตาคือความเคลือแคลงสงสัยนั้นจะใช้อะไรก็ได้ใช้แนวความเชื่อหรือใช้แนวปัญญาที่เรียกวัตถุนิสงสมนาติการหรือ บำเพ็ญเพียรทางจิตได้เกิดเป็นพลังสมาธิขึ้นพระธรรมที่ที่ปรากฏขึ้นภายในใจนั่นเองจะทําให้ใจเราตั้งมั่นก็เป็นอาการของศัทธาศัทธาที่ตั้งมั่นและปัญญาก็จะปรากฏขึ้นเพราะงั้นในจุดนั้นในขณะนั้นก็สามารถใช้ปัญญาวินิจฉัยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าวิจัยเพียงระดับสมาธินั้นยังไม่ยังยังคงไม่เป็นความรู้ที่สมบูรณ์อยู่นั่นเอง เป็นการมองจากมุมหนึ่งจากจุด1เท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นโล ก, กวิถีคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจดนอ่าที่พระเจ้าทรงรู้เพราะการจะรู้โลกได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนั้นจะต้องสามารถเห็นโลกทุกแง่ทุกมุมนั้นก็คือโดยอาศัยการพัฒนาปัญญาขึ้นมาเราจึงได้ยินข้อความที่เป็นพุทธพาจิตที่ทรงแสดงเอาไว้ที่เป็ น, นันมากเห็นว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของคนทั้งหลายชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ปริสุิสุดต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป